วันนี้เป็นวันที่11มกลาคม2525ที่พวกเรามาณสถานที่นี้คือเรามาศึกษาและมาปฏิบัติเพื่อจะทำความเข้าใจควมรู้ควมเห็นผวมเข้าใจในทัศมาต เราเคยพูดกันว่าของจริงหรือว่าอาริยษัจหรือสัจจะคำว่าของจริงหรือว่าอาริยสัจหรือสัจจะนั้นมันถูกสมมุติเปลี่ยนแปลงมามากมาหลายตัวหลายไม่สามารถจะเอามาพรนานาให้พวกเราเข้าใจได้ ของจริงนั้นถูกสมมุติขึ้นมาเราก็เรียกว่าอธิยักษสัตว์หรือทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือว่าใจลักหรือลักษณะทั้งสามอย่างนี้เราสมมุติขึ้นมาเป็นโลหารของคนทั่วไปดังนั้นวันนี้ที่อาตมาจะได้มาแนะแนวเรื่อง คำว่าสัจจานั้นมันมีอยู่ในผลทุกๆผลไม่ยกเว้นเรียกว่าสัจจะคือความจริงไม่แปลผันถึงจะรู้มันเข้าใจมันเห็นมันสัมผัสมันได้มันก็มีอยู่อย่างนั้นตรงกันข้ามถึงไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ ไม่สัมผัสมันได้มันก็มีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าของจีงเรียกว่าขัดจังที่คนไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจนั้นคือเราไปผลขวายหรือไปแสวงหาที่นอกตัวเราก็เลยไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นเราก็เลยละ เลยเพลินเสรยไปไม่สนใจกับชีวิตของเราคําว่าชีวิตนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นแง่ที่สุดสัตว์โดยสานก็มีเหมือนกันเมื่อสัตว์เดยสานก็มีคนก็มีเราก็เลยมาสมมุติว่าคนหรือมนุษย์เราก็เลยสมมุติขึ้นมา เมื่อสมุดขึ้นมาเราก็เลยไปแสแวงหานอกตัวเราเราก็เลยไม่พบไม่เห็นดังนั้นคําว่าสัตวะนี้หมายถึงของจริงแต่มันถูกสมุดขึ้นมาสัตว์สัตว์มนุษย์สัตเ์ระจานหรือว่าคนคําว่าสัตว์มนุษย์นั้นหน้าตาหรือมือเท้าเราก็เรียกว่าคนคาว่าคนนี้ เราก็เรียกว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนั่นหน้าตาไม่เหมือนคนแต่มันเป็นลูกกระพ aff ไม่เหมือนกันแต่ก็ยังถูกว่าสัตว์อยู่นั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราพยายามไส่หรือวิจัยคํานี้ให้มันแน่นอนลงไปคําว่าคนนั่นมันมันเป็นศูนย์กลางของหาง ที่จะเดินไปเราจะเดินไปทางทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกได้นี่เรียกว่าคำว่าส <agen> <lled up as elim> <working> ัจธรานคือมันตรงกันข้ามกับมนุษย์คำว่ามนุษย์นั้นหมายถึงบุคคลนั่นแหละผู้ที่ได้ถูงพัฒนามาเราก็เลยเรียกว่าพัฒนาพัฒนาเขาเป็นสัตย์ยดสดิบหนึ่งอย่างถนน บนทางรื่นลบ้านเรือนของเราเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของเราเหล่านี้ก็เรียกว่าพัฒนาเท่านั้นคําว่าพัฒนาเหล่านี้มันไม่ได้หมายถึงสัจจะวางจริงแต่เราก็ยัถูกว่าสัจจะจริงคําว่าสัจจะจริงนั้นเราก็เรียกว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วอะคน พูดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสมมุติขึ้นมาแล้วนี่ดังนั้นคําว่าสมมุติจึงมีมากเรามาพูดกันเรื่องชีวิตแบบนี้แต่สมมุตินั้นเราก็ยกไว้เรามาพูดกับเรื่องชีวิตพระชีวิตของแต่ละคนละคนนั้นทุกคนไม่ต้องผ่านความทุกข์แต่ความทุกข์นั้นอะทุกคนไม่ต้องการเหมือนกับที่ว่าเรา ไม่ต้องการสูญเสียอะไรไปทั้งหมดเลยคือเราต้องการแต่สิ่งที่ได้มาอันสิ่งที่ได้มานกับของสูญเสียไปนั่นก็เป็นอันเดียวกันที่มันสูญเสียไปเราก็ยก่อมไม่เห็นที่ได้มาเรามองเห็น ด, ด้วยตาอันนี้เป็นของคนธรรมดาสามมันที่พูดกันขึ้นมาสมมุติอย่างลด หรือเทบอย่างที่เราเอามาบันทึกกันในขณะนี้เราเรียกว่าได้มาแล้วก็หายไปเป็นอันนี้คนธรรมดาสามาถเราพูดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็จริงโดยสมมุติแต่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นคือชีวิตที่มันมีอยู่แล้วท่านผู้รู้หรือเปล่าผู้รู้นั่นแหละบัญดัลขึ้นมาชีวิตนั้นมันไม่มีฟุก คือมันสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาที่มันมีทุกนั้นมันไม่ใช่เป็นชีวิตของเราหรือมันจอดมาอันนั้นท่านก็นเลยวักกิเลสบ้างวะโทสะบ้างโมหะบ้างโลภะบ้างหรือว่าทุกบ้างอภิชาบ้างหรืออ น, นิจจ์บ้างทุกขังบ้างอนัตตาบ้างแล้วจ ะ, จะพูดขึ้นมาอันนี้เดียวว่า เปลี่ยนแปลงแปลผันไปแปลคำพูดดังนั้นคําว่าสัจจะนี้เรามามองถึงมุมกลับคือทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงแปลผันไปอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอันนั้นไม่ใช่เป็นของสินของแพรคือมันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเมื่อวานนี้อาสมาได้พูดเอาไว้แล้วว่าสินเรามาพูดกันเรื่องสินแบบ น, นี้ มันจะได้ไปเสื่อมโยงกับคำพูดที่เมื่อพูดเมื่อวานนี้อะสิ่นแปลว่าปกติคําว่าปกติในที่นี้ก็มหมายถึงไม่แปรผันไม่เปลี่ยนแปลงคือมันมีอยู่อย่างนั้นสลอดมาแล้วที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันแปรผันไปนั้นเราก็ทุกสมุดขึ้นมาเดวัตศิ่นคือข้อห้าเด ว, วัตปานาบาะอาเทนาบะเด ว, วัตสินห้า สิบแปดสิบสิบสิสองร้อยี่สิบเจ็บอันนี้ก็ถูกสมมติขึ้นมาเพื่อมาเป็นระเบียบข้อห้ามของคนมันเองดังนั้นคนกับมนุษย์จึงไม่เหมือนกันถ้าหากเป็นมนุษย์แล้วจะไม่มีข้อแม้อะไรทั้งหมดคือมันจะเต็มเตี๋ยแบอย่างนั้นคือบุคคลผู้ที่พัฒนาแล้วเราก็เลยมาถูกสมมุติขึ้นมาเรียกว่าอัตถา คคือลึกด้วยยากบุคคลที่จะเข้าใจมันเป็นคำพูดคบเล่มคำว่าอัตถานั้นตามตัวหนังสือเขาพูดเอาไว้ว่าสัมมาทิฏฐิคือมักแปดในเองคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมฐานสัมมาอาติวะสัมมาวายมะสัมมาสมาสัมมาสมาธิ สมาธิตัวนี้จึงถูกแบ่งออกไปว่าต้องมีวิธีการนั่งทำกรรมาฐานหรือจดลริปับนานในอันนี้มันถูกสมุติขึ้นมาแล้วเนี่ยคําว่าสมาธิในคําหมายที่อาตมาพูดนี้คือจะอยู่โดยวิธีแบก็ตาคือบุคคลที่มีสติหรือมีสมาธิมีปัญญาได้มันพูดไปอย่างนี้คือบุคคลผู้ที่ เข้าไปสัมผัสกับตัวชีวิตตัวจิตตัวใจของเราที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือบุคคลผู้ที่มีสมาธิสมาธิเขาจึงหมายเอาคําว่าตั้งใจมั่นคือตั้งใจตั้งใจมั่นคํานี้มันมันแล้วก็เลยลมาระมัดระวังเอาอันนี้มันเป็นถูกสมมุติขึ้นมาคําว่าตั้งใจมั่นนั้นคือไม่ต้องไปทําอะไรตั้งใจคือมันมีอยู่แล้ว อันตัวสมาธิมันก็มีอยู่แล้วตัวตั้งใจมั่นมันก็นมีอยู่แล้วนี้มันเป็นอย่างนั้นคือว่าตัวสิทธิ์มันก็นมีอยู่แล้วมันถูกสมมุติขึ้นมามากดังนั้นคำสอนของคันปูรู้หรือปา่าผู้ที่รู้มาก่อนนั้นจึงมาถูกสมมุติให้คนศึกษาและเรียนสำหรับตาราเมื่อศึกษาเมื่อเรียนสำหรับตาราแล้วเราก็ไปติด ฝังแน่นอยู่กับตําลาก็เลยเลิกหน้าจากตํำลานั้นไปได้อันนั้นที่อาจามาพูดวันนี้ว่าเหมือนกันกับทุกคนที่อยู่ที่มืดเราอยู่ที่มืดถึงจะมีไฟใต้อยู่กรตาเมื่อไฟเราจับลงไปแล้วมันคมมืด อ, อยู่ตามเดิมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่คนเราทุกคนไม่ต้องการคามทุกคนเช่นเดียวกัน เราก็ต้องไปหาวิธีการอันใดอันหนึ่งมาปมเพื้อนไม่ให้ควทุกข์เกิดขึ้นอันนั้นก็คือว่าเราหาไปทางผิดคือไม่ตรงกับคํานักปราชญ์หรือคนโบราณท่านสอนเอาไว้นักปราชญ์หรือคนโบราณท่านสอนเอาไว้ก็คือมันมันมีสิมตอนสิมนี่เราก็เลยพูดว่าเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาก ตอนสมาธินั้นเราพูดกันว่าเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างการตอนปัญญานี้เราพูดกันว่าเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดแต่ความจริงทั้งหมดนี้มันถูกสมมุติขึ้นมาทั้งหมดนี้คือคนเรามีปกติคือกายของเราถ้าผิดปกติไปแล้วก็เรียกว่าเราไม่สบายหรือใจของเราก็เหมือนกันถ้าผิดปกติไปแล้วก็เรียกว่าไม่สบาย หรือชีวิตของเรากอแค่ เ, เดียวกันถ้าผิดปกติไปแล้วเราเรียกว่าไม่สบายอันนี้เราเคยได้ยินว่านักปราชญ์หรือพระองค์หรือพระพุทธเจ้าหรือปัรผบุรุษเคยพูดกันเอาไว้อ่ะคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มี เมื่อคนมีปัญญาอย่างที่พวกท่านผู้ฟังอยู่ในขณะ น, นี้สั้นปัญญาทั้งนั้นคันข้าว่ามีเดชทุกขานั้นเกิดขึ้นมีเดชทุกขานั้นสั่งอยู่มีเดชทุกขานั้นดับไปเราจะไปหาทําไมแล้ก็หาทิธีที่มันไม่มีทุกนั่นแหละคือมันไม่มีทุกนั่นเราหาแต่ความจริงไม่ต้องหาคือมันไม่มีอยู่แล้ว อันที่มันเกิดขึ้นมานั่นเราไปหามันเราไปหามันของสิ่งนั้นก็เลยต่อแปลงเปลี่ยนแปลงมามันมาหลอกลวงเราเมื่อพูดถึงแงกรรมฐานตามครูาอาจารย์ต่างๆนั้นสอนเขาเรียกว่าเป็นนิมิตคือด้ต้นทางกระทําอันนั้นถูกน้อยไม่ผูกมาก ที่อาตมาพูดนี่อาตมาไม่ได้พูดกับสำหรับตาลาอาตมาพูดด้วยความจริงใจเนี่ยความคิดเห็นหรือตัวเองก็ต้องได้สัมผัสอย่างนี้แล้วก็เข้าใจอย่างนี้จึงว่าไม่ต้องอยู่ในที่มืดไม่ต้องไปแอบแฝงอยู่กับสำหรับตาลาทั้งหมดเลยเมื่อเราไปแอบแฝงอยู่สำหับตำลาก็เหมือนกันกับเราอยู่ที่มืดนั่นเองเมื่อเรา ปล่อยตาราวางตําลาแล้วก็มาพูดเรื่องตัวของเราคือคนเรามันพ่วงสอบยาวานาคืบมีอยู่แล้วทั้งสัญญาพร้อมทั้งจิตใจและปัญญาอะไรมีทั้งหมดเลยเราต้องมาหาที่ตรงนี้เราจะไปหากตาําราอันนี้เรียกว่าเรามาศึกษาและมาปฏิบัติเมื่อมาศึกษามาปฏิบัติ เราก็ต้องรู้ตัว่ในขณะนี้สภาพคว้มเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เรามีเรื่องอะไรคือเรานั่งนานมันก็ต้องเจ็บแข้งเจ็บขาไปปวดหนังปวดเอวไปอันนี้ก็เรียกผิดปกติไปแล้วก็ทุกเกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งนี้นั้นเรียว่าทุกขเวทนาทุกโศกโรกาทุกให้รับให้อันนี้เราก็เลยเปลี่ยนไป ความทุกประเภทนี้แหละความเปลี่ยนแปลงในกิริยาบทนี้แหละมันฟังไม่ให้เราเห็นทุกพอดีมันเก็บแล้ว เ, เปลี่ยนคือบางคนไม่ทันรู้ถึงมาเจ็บปวดอะไรเปลี่ยนไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าความทุกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปหรือมันก็ตั้งอยู่อย่างนี้อันนี้คนอื่นมองเห็นอันนี้ถ้าเรานั่งนานคนอื่นมองเห็นในหลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าคือทุกนั่นเอง ดังนั้นที่เรามาศึกษาที่นี้ทั้นปัญญาแล้วจะไม่ได้พูดอย่างนี้เราต้องมาพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นคือต้นตอของกมคิดมันก็มีหลักษณะเปลี่ยนแปลงคือมีดีใจเสียใจเนี่ยดีใจเราเรียกว่าได้มาเสียใจเรียกว่าหายไปหลักษณะดีใจเสียใจนี้คนอื่นมองไม่เห็นอันนี้ก็ เป็นหลักพระทุกของอังอนาาิจจังอนัตตาเช่นเดียวกันมันก็ทุกตัวมขึ้นมาคําว่าทุกของอังอนิจจังอนัตต า, านั้นมันจึงมีหลายสั้นหลายลือเหมือนกันเมื่อพูดถึงหลายสั้นหลายลือนี่ก็เลยเอาเรื่องทุก ข, ข์มาพูดให้ฟังอย่างที่ไม่ข้าวจะเป็นข้าวเปือกก็ตามเอข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ตามแหะจะเป็นไม่ข้าวเปือกข้าวเจ้า มันก็มีคุณค่าของข้าวเจ้ามีสมบูรณ์เหมือนกันข้าวเหนียวมันก็มีคุณค่าของข้าวเหนียวเหมือนกันแต่เมื่อกินแล้วมันก็มีรสพายคือพอดีนั่นเองดังนั้นข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมื่อเอาแบบเคาะลงที่ดินมันซุ้มมันเย็นมันก็เลยแตกขึ้นมาเร็วแตกหนอ่อแตกรากออกมาได้ผล ถ้าหาักเป็นเม็ดข้าวเจ้าข้าวเหนียวมันอ้วนมันเต็มเราไม่เอาไปลงที่ซุ้งที่เย็นมันก็เลยไม่แตกไม่งอกออกมาถ้าเราไปไว้ที่โฟนสูงสูงเรียกว่าสูงโพไปเอาไปไว้โพสูงสู ง, สงที่มันไม่มีน้ำไม่มีโอกาสที่จะแตกได้ถ้าแตก่กก็ไม่จะเลยอันนี้เขาเรียกว่าพัฒนาเหมือนกันดังนั้นท่านฟังวันนี้ ที่กำลันงนั่งฟังอาตมาพูดเดี่ยวนี้นี่แหละต้องตับเข้ามาดูที่จิตใจของท่านลองดูในขณะนั่งหายใจเข้าหายใจออกทีเดียวนี้และมันกำลังคิดอะไรมันนึกอะไรเราต้องมองทะลุจบลงมาที่ตรงนี้เมื่อมันคิดขึ้นมาลองเห็นอันนั้นก็แปล ว, ว่าผิดปกติมันเมื่อมันไม่คิดแล้วผิดปกติเนี่ย เมื่อมันคิดนักตกติปกติแต่ความคิดนี้ที่อาตมาเขาเลยมาแนะแนวให้วิธีอย่างไายๆไปไหนมาไหนก็ต้องปฏิบัติได้เป็นสมาธิได้เพราะว่าให้มาดูความคิดเมื่อมาดูความคิดมันคิดงูขึ้นมาทีแรกมันจะไม่รู้ไม่เห็นจริงเมื่อมันคิดงูขึ้นมาเราเห็นนานๆคือเราไปเพาะไปเข้า เอาไปลงที่ทุ้มที่เย็นคําว่าที่ซุ้งที่เย็นก็หมายถึงได้ฟังคือจะได้ยินจากทานผู้รู้มาพูดให้ฟังหมายถึงความคิดนี้จะเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้แต่เมื่อมันคิดขึ้นมามันก็ถูกปรงไปเป็นฟุกไปแล้วเมื่อมันไม่คิดเราก็เลยไม่รู้ไม่รู้มันคิดคือมันไหลเรื่อยควมคิดประเทศนะ่ะวันนี้เมื่อมันคิด เราต้องการแล้วก็ไปทํากับควมคิดที่เราต้องการนั่นแหละแล้วเรื่อกเราปมมันไว้แต่เราไม่ตัดมันทิ้งวันนี้พอดีมันคิดขึ้นมาแต่ที่อาตมาพูดนี่คือให้ปัดมันทิ้งปัดมันทิ้งทันทีไม่ต้องให้มันตั้งอยู่ได้เมื่อมันตั้งอยู่ไปได้แล้วกันเรียกว่ามันทุกเกิดขึ้นกับปัดทุกนั้นออกไปเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ปัดทุกนั้นออกไปมมันก็เลยเหมือนกับ ที่อาตมาได้พูดเอาไว้ว่าเหมือนกับเราขุดบ่อน้ําลื่อขุดบ่อน้ําลงไปถึงน้ําแล้วน้ํามันไม่ได้เป็นสกรปรกแต่ต้มเลนเท่านั้นมันเป็นสกรปรกน้ํามันออกมาเราก็ไปอวนปากปอเรนะา น, นั้นบัดนี้อวนปาก่อน้ําก็เลยล้างต้มล้างที่สกรปรกอยู่ตามปากปอนะ้เมื่อมันล้างลงแล้วเราก็ต้องเป็นหน้าที่ที่จะตักน้ำซื้อ วิตน้ำนั่นออกจากบ่อนั้นวิบ่อยๆทําบ่อยๆหลายครั้งหลายผลเราก็เรียกว่าน้ํานั้นสะอาดแต่ความจริงน้ํานั้นมันสะอาดอยู่ตามเดิมอยู่แต่เราไปเข้าใจว่าต้มเลนนั้นมาทําให้น้ําุกโป่กแมกกาทแต่ความจริงต้มเลนมันก็ไม่ใช่เข้ากับน้ําได้น้ํากับต้มเลนมันก็ไม่ใช่เข้ากันได้แต่ว่าจําเป็นก็ต้องอยังพู่สมมติว่าน้ําุกโป่ง เนี่ยมันไ็อย่างนั้นอันพรมคิดนี่ก็เหมือนกันที่อาจจะมาพูดว่าให้ตัดความคิดออกไปทันทีอันนี้ก็เหมือนกันแต่ความคิดประเภทนั้นมันยังไม่ได้ปรุงมันก็เป็นความคิดที่สดสดมันยังไม่ได้ปรุงเหมือนกันกับเกาที่เอาสีไปลงน้ําแต่น้ํานั้นมันยังสดสดอยู่เมื่อเอาสีดำลงไปน้ําปลือยดำเมื่อเอาสีแดงน้ำลงไปก็เลยแดงนี่ว่าน้ํานั้นมันสะอาดอยู่แล้วสีมันพอสี น้ำกับสีไม่ใช่อันเดียวกันพวมคิดที่มันวูบขึ้นมานั้นมันก็เหมือนกับมันยังไม่ทันทุกทันทุกอะไรมากเราพอที่จะแก้ไขได้แต่ต้นมืออันนี้เรียกว่าเรามาศึกษาและมาปฏิบัติให้รู้จักความคิดอันนี้เมื่อเรามาศึกษามารู้จักความคิดอันนี้เรียกว่าเรารู้เมื่อเรารู้อันนี้ก็เรียกว่าเรามีสินคือมีศินสินก็จึง มีความหมายได้ว่าปกติเมื่อปกติแล้วน้ามันสะอาดอยู่แล้วเอาสีลงเป็นตูกนี่เดียวคิดปกติไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อความคิดเรามันคิดขึ้นมาเราเห็นแต่ความคิดนั้นยังไม่ทันได้ถูกปรุงอะไรเราก็รู้เมื่อมันถูกปรุงเราก็รู้เราก็เรียว่าเห็นอันนั้นก็เรียกว่าสินเป็นเกลื่อน ก, กําจัดคือมาให้ความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้น ด้นะความหมายในจังหวะสิ้นจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยามกิเลสอยา่ยายามคือโทสะโมหะโลภะอันนี้เป็นล่าเห่าของคน ท, ทง น, งองอนทั้งหมดเลยเรียกเป็นล่าเห่าของอกุศลทั้งหมดเลยอันนี้นอกจากนั้นคือกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเอาอะไรมาปับตรงเป็นสีขึ้นมาอันนี้ศิ้นกาจัดได้ ถ้าคนใดมีศีลแล้วก็ต้องกําจัดสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อคนใดยังไม่มีศีลคนนั้ น, น, นก็กําจัดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันมันไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่อาตมานี้อาตมานี้มันเป็นรูปแบบชนิดหนึ่งอย่างที่เรามาทมํากรรมฐานใ้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นรูปแบบชนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามมาันก็ถูกสมมุติขึ้นมาทํารูปแบบนั่นเอง แต่ตัวที่ปกติตัวที่ปจจานั้นมันไม่ได้ถูกรูปแบบอะไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมาเอาเป็นอย่างนั้นปฏิสมพันธ์ตาสําหรักตาราและตูบาอาจารย์กล่าวว่าสมาถะนั้นเป็นเครื่อนกําจัดกิเลสยังกากิเลสยังกาคืออะไรคือเราทําดีนั่นแหละเราทําดีเราไปติดดี พูดง่ายๆคือเราทำดีบางคนให้ฐานรักษาศีลทำกรรมฐานได้ผลสงบอันนั้นก็เป็นกิเลสอย่างการก่อนที่จะรู้จะเข้าใจนั้นเราต้องออกจากที่มืดหรือออกจากตำราเราต้องมาดูที่ต้นตอของชีวิตจิตใจของเรานี่เองจึงจะรู้ได้เข้าใจได้สัมผัสได้ ที่รู้ที่เข้าใจสัมผัสได้แต่กับเพราะมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าของไม่มีมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปหามันไม่ต้องไปผลนขวายหรือแสวงหาที่ที่นี้นเพียงแต่เราจำได้สี่สิบหกปีอันนี้พูดจริงๆริในขาวนี้ต้องพูดจริงจริเพราะพูดความจริงให้กันฟังแต่ก่อนอาตมาไม่เข้าใจคำว่าสายไม่เข้าใจจริง คำว่าตายนี่ก็หมายถึงความดับสิ้นพบสิ้นซากหรือคำว่าตายคำนี้หมายถึงว่าหมดคำว่าหมดคำนี้มันไม่ได้หมดคือมันมีมานี่มันขับกันคำว่ามีมาแล้วมันได้มาจากที่ไหนมันไม่ได้มาจากที่ไหนคือมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านี้เราไปสนใจเรื่องเงินเรื่องความรู้เรื่องซื้อเสียงเกียดยศ เราไม่สนใจเรื่องชีวิตเราจึงไม่รู้ว่าชีวิตนั้นมันคืออะไรไม่รู้เลยอัตมาก็าเลยมาพูดความจริงคือว่าชีวิตนั้นคือความตายแต่ความตายนั้นไม่ใช่ชีวิตเนี่ยคือชีวิตคือความไม่ตายเนี่ยความไม่ตายน่นคือชีวิตเนี่ยมันพูดอย่างนี้อันนี้มันก็พูดจากคือความตายนั่นคือว่าผมเสียใจ ก็เป็นตายสันิดหนึ่งความดีใจพ่อเป็นคนต า, ายสนิดหนึ่งคือความไม่พอดีนั่นเองอันความพอดีนั่นแหละมันไม่ทุกข์มันไม่สุขนั่นแหละอันนี้แหละท่านท่านให้ทุกคนแสวงหาที่ตรงนี้เมื่อสแสวงหาที่ตรงนี้มันก็ต้องพบที่ตรงนี้จริงๆเรื่องนี้พวกคำนี้ก็ต้องพูดให้ฟังว่าอาตมากําลังเดินชมผมเดื่อวเปลี่ยนแปลงในเรียบท อาตมารู้เรื่องนี้อาตมาเดินตอนตีตีห้านี่แหละอาตมาเดินไปเดินมามีตาขาบตัวนหนึ่งมิตาขายตัว น, นึ่มันใหญ่พอสมควรแต่ที่นั้นมันไม่มีไฟฟ้าอาตมาจุดเทียนไขเอาไว้ที่ที่ใส้ไปอาตมาก็เลยเห็นตาขายตัวนั้นก็มองไปมันแดงมันก็วิ่งไปตาม ทางของมันคือมันผ่านที่ทางเดินอตาตมาก็เลยยืนดูพอที้ยืนดูแล้วก็มันไม่เห็นมันไ ส, ส่ใจแอตาตมาก็กลับคืนไปเอาไฟเทียน target, อตาตมาใต้ไว้ทา ง, ทางต้นบัดนี้ก็เลยมาหามันกลัวมันจะมากัดเราไม่เห็นแล้วอตาตมาก็เอาเทียนคืนไปใต้ไว้ที่เดิมเอาไปตั้งไว้ที่เดิมวันนี้ก็เริมมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาในขณะที่เดินนั้น เราไม่รู้ว่าเราเดินเอาอะไรคือเราไปหาของจริงนั่นแหละแต่เราไม่ได้กำหนดอะไรคือเราเพียงจับความรู้สึกเท่านั้นเองเร า, าเป้าไปก็รู้มันคิดก็รู้ลมมาสัมผัสอะไร ร, รู้ทั้งนั้นคือมันรู้ข้อมูลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุ ก, ทกมุมแล้วมันเรียกว่ามันสมบูรณ์เรียกว่าเป็นการพัฒนาอันนี้ไม่เสร็จพัฒนาถนนขนทางพัฒนาคมรู้ไม่ได้พัฒนาอันนั้น พอได้เดินไปเดินมาแล้วมันปรากฏตัวของเราที่มันมีอยู่นี่เนี่ยที่มันไม่ใช่ของจริงน่ะมันจะหลุดหายไปเลยมันจะหลุดออไปทั้งหมดเลยพอัะ น, นั้นขอไม่จริงนะเมื่อมันไม่จริงเราก็รู้โอดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงแล้วสิ่งที่มันจริงนี่มันมีอยู่ที่ตรงนี้เราก็เลยเลยรู้อาตมาเคยเปรียบและสมมุติให้เพื่อนผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังว่า เมือนกับเรามีเสื้อหนึ่งเส้นเป็มันมีต้นไปผูกต้นนั้นบ้างไปลูกต้นนี้หมายมันถึงแล้วไปตัดตรงกลางเมื่อไปตัดตรงกลางแล้วเสื้อก็ยังมีอยู่ตามเดิมแต่ามาผูกมันใส้ไม่ได้เอามาใช้ในงานอันนั้นมันไม่ได้นี่อีกแบบหนึ่งที่จะมาสมมุติเอาไว้แล้วอีกแบบหนึ่งสมมเอาไว้คือพับนักมวย เมื่อมีผู่ต่อสู้เราต้องสู้เมื่อเราคิดจนว่าไม่มีผู้ต่อสู้แล้วเราก็ไม่มีไม่มีอะไรจะมาสู้เราแค่เราพยายต้องทําอยู่นัในเองนี่มันเป็นอย่างนั้นดันั้นสิ่งนี้แหละมาสดขึ้นมาเราก็สมมติขึ้นมาว่าเหมือนกับสําลีที่มันกดสดเปยนเอาไปทุกน้ําเป็นทุกน้ ำ, นนำแล้วเราปีนลำปีออกหมด นานหมดเลยนี่เหลือแต่สตนดีเปล่าๆตอนนี้เราเป็นนักมวยก็ไม่มีใครมาต่อสู้เราแล้วหรือเราอยู่ที่ในทับเราออกจากที่มืดแล้วทําไม่ต้องหาไฟอีกแล้วว<ม>ันนี้เสื้อที่มันมั น, ม, นมันตึงอยู่แล้วเราตัดแล้วมันก็ไม่มีมันไม่มีอะไรแล้วแบบนี้เราอาตจมามาสมมติแบบนีห้หรือเหมือนขึ้นไปอยู่ที่บนสูงูที่เป็น ที่ไหนก็ตามแหละที่มันสูงเหนือทุกสิ่งทุกอย่างะเราไปอยู่จุด ส, สูงสูงแล้วแล้วไม่มีอะไรจะขึ้นไปแต่ต้องเราได้มันก็ทุกสมมุติขึ้นมานั่นเองดังนั้นสมมุติยิ่งดีมากเมื่อมาถึงจุดนี้แหละชีวิตของเรานั่นแหละจะมีค่ามากที่สุดดังนั้นจะมีเงินน้อยพันล้านหมื่นล้านแสนละไปซื้อก็ไม่ได้ที่จะมาพูดนี่ไม่ได้พูดเรื่องบุญเรื่องบ ไม่ต้องพูดเลยเราจะไม่มีเงินเรือจะไปทําการทํางานรับจ้ากก็ไม่ได้เช่นเดียวกันตอนนี้คนมีเงินร้อยล้านพันล้านไปทำให้มันถูกต้องมันก็รู้เหมือนกันคนจนๆแต่ไปทําให้มันถูกต้องมันก็มีได้เหมือ น, นดังนั้นที่ที่สมมุติัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นที่สมมุติบวขึ้นมาว่าเป็นค่าเป็นเงินไปทำ มันก็รู้เหมือนกันไม่ทํามันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้อย่าง พ, พวกท่าน้าพวกกลางเดือ น, นี้เนี่ยไม่ได้ปวดจากที่อาตามานี่ไปทํามันก็รู้เหมือนกันถ้าไม่ทํามันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเราไม่สนใจที่ตรงนี้อันนี้จะเอาเงิ น, ปนไปซือไม่ได้ชีวิตนี้ไม่ได้จริงๆอาตมารู้เรื่องนี้ขึ้นมาเมื่ออายุสี่สิบกปีเดี๋ยวนี้อายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้ว พูดเรื่อีมาอันนี้แหละที่ว่าเป็นที่รักเ ป, เป็นที่พึงได้หรือเป็นตัวของตัวจริงๆแต่เราเป็นรักคนนั้นคนนี้มีมเสื้อมีผ้าหรือมีเงมีทองให้กันนั้นอันนั้นไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้เป็นที่ไว้หาังใจได้คําว่าที่รักอันนี้ก็หมายถึงเอาของที่ทมันดีที่สุดกันแหละยือย้อให้กันไปได้เราต้องไปพูดให้ฟังเมื่อคนใดได้รัก ทันที่ดีที่สุดแล้วนี่ว่าเป็นที่นักของเราเราก็เป็นที่นักของเขาเขาก็เป็นที่นักของเราเงินทอนี่เอาให้กันแล้วเพื่อผ้าอาให้กันแล้วบางทีมันไม่พอบเรามันก็มาทำลายเราได้อันสิ่งเนี้มันจะไม่มีเลยสิ่งอื่นจะเข้ามาศูญเสียมันไม่มีเลยเพราะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผาไปได้นอกจากบุคคลที่มีควรู้จริงๆง นอกจากบุคคลที่ได้สัดผัสมาจริงจงนอกจากบุคคลที่มีแล้วมาเก็บเงิให้เราวันนี้มสมมุติอีกอย่างนึงเพชรของเราเขามีอยู่แล้วแต่มันถูกแร่อมเอาไว้หรือหินอะไรองมเอาไว้แต่น้ําเพชรของเรามันก็มีอยู่ร้อยเปร์เซ็นต์แต่เพชรของบุคคลที่ไปเจียละไนแล้วนั้นเขาเจียละไนแล้วแต่เขาก็ามีน้ําเพชรเหมือนกันแต่แร่ที่องค์อยู่นั้น น, น้ําเพชรก็มีร้อยเปรเซ็นตือัน ดังนั้นพวกท่านผู้ฟังเดียวนวี้พงมีอยู่เช่นนี้เหมือนกันตัวปกติอันนี้หรือความสิทุกอันนี้ตัวไม่มีทุกอันนี้มีอยู่ในผลทุกคนไม่กเกิดเวอาตมาผ้ายืนยางรับรองได้ได้จริงๆเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อพูดถึงกาาแล้วอาตมาไปอ่านหนังสือธรรมวิจารณ์เป็นผมรู้คําตัเองว่าผู้ที่จเจริญสติ ป, ปัญญาตีให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ว่าอย่างไร ไม่ให้มีมวี่แววให้มันหมูนไปอยู่ตรงนั้นแหละอย่างนานท่นานว่าเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดหนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอันนี้สงสองประการหนึ่งเป็นพระละักษมณ์ท่านว่าใา่ไหมหากว่าไม่ได้เป็นพระละักษมณ์สดต้องเป็นพระนาคามีเป็นพร ะ, ะนาคามีนี้ท่านว่า ตายจากลูกนี้แล้วไปเกิดอยู่ในรูปบาทันนิพผมอันนี้พ่อก็บเราให้ฟังอันนี้อาจจะมาเป็นหนึ่งและตอนนี้คนนั้นตายจากผมวัดไปแล้วก็ไป <S 2> <S 2> <S ไปนิพพานเลยวะยศแต่ประตูเขา้านิพพานนั้นถอนเอาผมที <S <S ่ศรีรษะเราเนี่แหละมาทับเป็นท้อนขนผมแล้วมัาผ้าให้เป็นแปดเสียงไปเข่าประตูนิพพานเาับเส้นผมแปดเสี้ยนไปแย่ประตูนิพพาน เส้นผมนั้นแหละไปเข้ารูนิทานได้ยังว่าไปนิทานได้อันนั้นมันเป็นเรื่องสมมติ <c oughs> เป็นเรื่องสมมติแต่ท่านรู้อย่างนั้นถ้าเรา <c oughs> คือตัวที่มันเล็กที่สุดคนอื่นมองไม่เห็นคือตัวผมคิดเรานี้เองมันคิดพูดขึ้นมาเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันเราต้องพยายามจับผมคิดเหล่นี้แต่ไม่ได้จับด้วยมือเลยนะจับด้วยมือไม่ได้ต้องทําผมรู้ตึก ควมรู้สึก น, นี่นะมันแหลมคมที่สุดมันสามารถที่จะทางสิ่งที่มันปกปิดนั้นออกมาได้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้อาตมาก็เลยมาพูดเอาไว้ที่ว่าจเจริญสติไปที่เราทําผมรู้สึกตัวนี่แหละดีจยว่าจเจริญสมาธิก็ได้หรือว่าจเจริญปัญนาก็ได้หรือว่าจเจริญปัญญาก็ได้จะว่ า, ายังไรก็ได้มันถูกสมมุติมาทับคมรู้สึกตัวเรา มันเคลื่อนไหวทางรูปกายก็ให้รู้มันเคลื่อนไหวทางจิตใจก็ให้รู้มันเคลื่อนไหวโดยวิธีเดยก็ให้รู้คือเรามองดูผมคิดคือมันคิดปุกเห็นภาพมันคิดปุกบเห็นภาพอันนี้เนี่ยมันน้อยที่สุดคนอื่นมองไม่เห็นมองไม่เห็นด้วยสายตาแต่ด้วยอันนี้ทำอย่างนี้เนีนน่ยมันๆอย่างนานไม่เกินสามปีอาตมารับรองว่าไม่เกินสามปี จากกางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึง90้าสิบวั น, วนอันนี้สงเครอกห์พระละกไม่ต้องพูดและพระอนาคามีเรื่องปฏิภาณก็ไม่ต้องพูดพวกทุกสิ่งที่ปุงปุ่ม น, นั้นแนละจะลดน้อยเรือหมดไปได้จริงจิเราจะไปพบเอากับปีดิที่ไม่มีทุกนั่นจริงจริงคนที่ไม่มีทุกแล้วจะพูดยังไงก็ได้จะพูดอะไรได้ทั้งนะอันนี้ ท่านผู้รู hmm. ้หรือนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าเป็นคนอยู่กับคนโดยไม่มีทุกข์หรือเป็นมนุษย์อยู่กับมนุษย์โดยไม่มีทุกข์เป็นเทวดาอยู่กับเทวดาโดยไม่มีทุกข์เป็นพรมอยู่กับพรมโดยไม่มีทุกข์คำว่าเทวดากระทุกสมมติขึ้นมาคำว่ามนุษย์กระทุกสมมติขึ้นมาคำว่าคนกระทุกสมมติขึ้นมาคำว่าอินทรคุปกระทุกสมมติขึ้นมาเท่านั้น อันนั้นเรื่องสมมุติจริงๆอันนี้อจะมาฝ้ายืนยันรักรองได้เมื่อเรามาถึงจุดนี้แหละเราจะไม่มีสิ่งใดที่มาปิดตังเราได้เหมือนกับเชื่อในตาเราเชื่อในตาเรานี่สมมุตินะเราเบน้อกความเรามีฝ้าปลาในตาเรามาเราเพราะว่าเจาเน็นบทแต่ความจริงเจาเ็นไม่บทนฝ้าฟลาในตาเราเาพูดอย่างนี้กรได หรือจะว่าเมฆหมอควรไปบางดรอทก็ได้แต่พ้าดในตาเราไม่มีเราไปมองตะเวนเพราะว่าตะเวเนบุญพรมจริงตะเวนไม่ได้บุญพลาดพลาดในตาเราไม่ต้องมีมันมีอวิชชาชนิดหนึ่งคือเราไปเข้าใจลมสุขสิ่งที่ปลอมแปลงมานั่นแหละเราเข้าใจลมสุขอนั้นมันเป็นลมที่เราต้องการถ้าหากคนใดจะต้องการคมสุขแบบนั้นแล้วไม่มีโอกาส ไม่มีเวลาที่จะพบเห็นโดยสักจะเป็นของจริงนี้ได้คือชีวิตของเราจริงๆนั่นแหละดังนั้นตัวชีวิตของเราจริงๆนั้นมันผูกสมมุติมาดังนั้นพู้สมัควอมที่ไม่ต้องการจะกดตายเนี่ยวันนี้จำเลยเราก็ต้องประสบจริงๆกดตายนี้อาจะมาจชงพูดให้ทุกคนฟังเอาไว้ว่าด่วนจำบทความหายใจเนี่ย ทุกคนต้องประสบสิ่งนี้จิงๆรับรองได้แต่เมื่อเรายังไม่ได้ยินได้ฟังเราก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็เราก็เลยไปสอนกันว่าตัวรจะตายแล้วก็ให้มีสตินะให้มีสตินะเนี่ยท่ า, ส น, น, า, น, น, า น, นสอนกันยังไงโบราณท่านสอนกันเไว้เด็กมันจะมีสติได้ทําไมพราะคนมันจะตายแล้วนี่เราไม่สอนกันตั้งเศษต้นมือสอนกันเอาไว้อันนี้เรามาสอนกันนี่คือเราสอนกันเรียกเรารูกันได้ เรียกว่าอาจารย์ค่ได้แต่ว่ามันถูกสมมติมาอันนี้คําว่าครูหรืออาจารย์ไม่ก็หมายถึงผูที่รีดในแนวของซีดนั่นเองเราเขียนหนังสือที่เราไปเรียนหาเงินหาทองเหล่านี้อันนี้มันไม่ต้องสอนก็นได้เราไปมองเห็นสัจธิรสารไหมใครไปสอนมันมันหากินเป็นมันนอนเป็นมันสื้อทานเป็นไม่ต้องสอนก็นได้ ส, สิ่งนั้นสิ่ง ครูหรืออาจารย์สอนสอนให้เข้าถึงตัวจริงซับเสกสารมันไม่รู้มันไม่รู้สอนแล้วมันไปไป่ไปได้ส่วนคนนี่แหละบางคนมันก็รู้จักได้เรี่าเรียกมนุษย์เปลี่ยนแปลงขึ้นมาคือพัฒนาขึ้นมาแล้วเขาเรียกเขเรียกว่ามนุษย์มนุษย์แต่ติดใจสูงเขาว่าอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องสมมุติแต่ความจริงที่อจะมาจะนํามาเล่าให้บังเพียง ส, สรรรัคัญนี่ เราอยู่ในขณะ น, นี้เรามีความจําเป็นขึ้นมาเราจะตายก็ตามเราไม่ต้องกลัวตายคือเราต้องคอยดูชีวิตของเรามันจะไปในรูปไหนจะเป็นอย่างไรเราจะได้รู้สภาพที่กวัวตายนั่นแหละขึ้นมาทานันทีเราเห็นคนตายขึ้นมาแล้วเราจะรู้แม่เราตายแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยเพราะเราตายแนละ้วเราจะรู้ทําไมแต่เรากลัวตายที่เรายังไม่ทันตายเนะี่ยเราจะไปกลัวมันทําไมเราจะรู้มันได้ยังไง แล้วตายไป็กลัวมันทําไมอันนี้ก็พูดกันแล้วว่าน้าที่จะเขา้าใจคนกลัวตายเราจะได้เป็นประสบกับชีวิตของเราไหมมันกันจะไม่ได้ประสบทําไมพวรเรากลัวตายอยู่แล้วตันนี้เราให้กลัวตายคนนี้ล้วจะทำยังไงเรา ก, ก็ต้องศึกษาชีวิตเราที่ชีวิตเราเป็นอย่างไรเราควรจะได้รู้กับต้นชีวิตของเราชีวิตของเราจริงๆแล้วนะไม่มีทุกข์จริงอย่างที่อาตมาพูดอยู่นี้อาตมาก็รู้สึกว่าไม่สบายมาหลายวันแล้วแต่อาตมาไม่มีทุกข์ เกี่ยวกกายได้ทุกข์กับเรื่องธรรมะเกี่ับเรื่องจิตใจอาตมาไม่ทุกข์นี้เรียว่ามีควมรักลูกคมสงสารลูกความเมตตาอยากให้คนที่ไม่รู้ได้รู้อยากให้คนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจอยากให้คนที่ไม่ได้ยินได้ยินขึ้นมาให้เขาได้รู้ให้เขาได้เข้าใจให้เขาได้อาไปพัฒนาเองอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีมหากรุณาธิคุณว่าอย่างไรที่ตัวหนังสือเขาไว้ดเรียกว่มจริงมันคําพูดอันนั้น แต่ที่อยากจะมาพูดให้สาวตั้งคือให้มาดูควมคิดนี่เมื่อนำมีควรนจำเป็นขึ้นรถลงเรือก็าตามไปไหนมาไหนก็าตามแต่เราเดินไปเราคอยดูควมคิดต่อไปด้วยเราทานอาห า, หาก็าตามเราก็ดูควมคิดเราเรื่อยเราไปซื้อไปขายก็ดูคมคิดของเราเราไปทำอะไรก็ดูควคิดของเรามันคิดพุ๊ขึ้นมาปั๊บตัดให้ทันทีนี่ทีแรกมันจะรู้เรื่องนี้ก่อน รู้เรื่องนี้แล้วผมโสดผมลรคผมหลงไม่มีอันนี้เป็นลักษณะผมทุกประเทศหนึ่งลักษณะผมทุกประเทศที่สองคือผมยึดมัน่นหรือมั่นมันจะไม่มีอันนี้จำไว้ให้มันดีลักษณะประเทศที่สามเราจะไม่จีบประเทศกรมสงบเพรานั้นนี่ลักษณะลักษณะที่จำให้มันดีลักษณะที่สี่เนี่ยเราจะรู้จักว่าสิ่งที่เราสุดพนไปทั้งหมดนะเราได้รู้แล้วพบแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้ว อันนี้คือข่วมคนทุกข์หรือจะว่าตายก็ได้หรือจะว่าคนทุกข์ก็ได้หรือจะว่าไม่มีทุกข์ก็ได้หรือจะว่ายังไงก็ได้แล้วมันสมมุติขึ้นมาอันนี้เป็นสมบัติของบุคคลที่ผู้ดีเมตตาหรือผู้มีมหากุศลนาหรือผู้มีอะไรก็ตามเนะี้เราสมมุติขึ้นมาอัตัวหนังสือที่เขียนไว้นะั้นเป็นเรื่องสมมุติพู่ขึ้นมาให้บุคคลที่รู้นั่นแหละเอาไปพูดให้คนอื่นฟังเท่านั้นเอง แต่เมื่อพูดอย่างที่อาชมาพูดนี้มันไม่ได้ในคำตำราไม่มีคำตำราแต่มันมีในคนอันตัวตำรานะั้นมันเป็นเพียงคําพูดเขียนเอาไว้เท่านั้นการณ์ตัวชีวิตของคนที่มันมีชีวิตสัตว์ก็มีมันนี้จะสมมติให้ฟังสัตว์เนี่ยเวลามันนอนมันก็นสบายอยู่สบายเวลามันกินอาหารมันกินได้อย่างสบายสุดซึ้งบางทีมีคน เอาเข้าให้ปั้นเดียวโยนลงมาไปมีสัดหรือมีสุนัขสองตัวมันก็แย่งกันกินเลยทันทีตัด ก, กันเลยเนี่ยมันมาจากที่ไหนอันนั้นอันนั้นแหละควรต้องการของมากคือต้องการสิ่งนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งนะั้นคือต้องการจากสิ่นข้าวมากๆแล้วก็ไปแย้งกันแล้วมาตักันเ น, นี่ยมันตุกแล้วอันนี้แหละเราปฏิบัติทีแล้วเราจัจัดการอันนี้คือคนเราเนี่ยมีการยื้อยแย้งสิ่งอัน ต้องหาหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้ใหมากๆพกเพื่อนทั้งหมดแล้วก็เป็นคนชุดนิดหนึ่งแต่อันนี้เมื่อเรารู้อันนี้แล้วเราหาไปธรรมดานี่ะได้ขอแล้วไปไม่ได้ขอแล้วไปเพราะว่าีวิตนั้นอ่ะมันซื้อไม่ได้ขายไปได้ยืนยืนให้กันไม่เป็นคนเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเราอยู่นี่จํานวนจากยี่สิบคนวันนี้อาจจะมานับยี่สิบสองคนยี่สิบสามก็จะมาวันนี้ยี่สิบคน เดรลี้เนี่ยลักษณะนี้เฉยๆนี่จิตใจของทุกคนมีลักษณะนี้แหละอยู่ถ้าเราไปทําการทำงานอย่างนี้นเป็นยังไงมันก็ไม่ดีสุกเลยอันควไม่มีทุกอันนี้แหละมันเป็นสมบัติของตินของเราเราก็ไปทําการทํางานได้ไปไหนมาไหนก็ได้ยังไยอันนี้เรียกว่าเราทําลายควมหลงผิดได้อันนี้เรียก ว, ว่ากิเลสอนนยวว่างอ่างกาิเลสอย่างละเอียดคือมันลุกลุ้ไปทั้งหมดแล้วแต่ได้พบแล้ว เราได้พบแล้วได้เห็นแล้วคือไม่มีอะไรมาบางังเนื้อจากนี่ไม่มีแล้วคือคนตายนะเองเนี่ย <g aran> ดังนั้นจีว่าให้ศึกษาคนตายอย่างให้รู้ไว้ผอดตายที่ยังมีลมหายใจนี้อยากให้คน อ, อยากให้คนตายนั้นมันเข้ามาถึงเราเมื่อคนตายเข้ามาถึงเราเนี่เราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาจะพบกัคนตายได้เราไปย่างคนตายไปแล้วเราเพืเลยมาเดินศึกษาคนตายคนที่ตายแล้วมันเคยกลัวไม่กลัวตายมันก็ไม่กลัวตายแล้วมันตายไปแล้ว วันนี้คนที่ตายแล้วเอามานล่าให้ฟังได้ไหมมันพูดไม่ได้แล้วมันจะเอาที่ไหนมาพูดให้เราฟังได้ตอนนั่งคนตายนั่งเข้าลงอันนั้นตายแล้วพูดไปได้แต่คมตายที่จะมาพูดที่คือตายให้มันหมดเมื้อหมดหนังแต่ไม่ได้หมดเนื้อหมดหนังอันนี้แล้วจยไม่เจ็บไม่มันอันนั้นเจ็บมันก็เป็นธรรมดาเรื่องโูกายภายนอกเนี่ยเราเห็นแค่คนตายแล้วไปจับมันเจ็บไหมมันไม่เจ็บเอามือไปจิกตามันมันเคยร้องขึ้นมาไหมมันไม่เคยร้อง นี่อันนั้นนี่ว่าตายหมดสิริตจิตใจ น, นั่นเดี๋ยวนี้นี่เรามีสิริตจิตใจควรคึกษามหลักษณะคนต า, ายนะเป็นยังไงเราต้องแสวงหามันให้รู้มันจริงจเมื่อเรารู้อย่างนี้แหละเราจะไม่สงสัย <c oughs> ในคนทุกเล่บคนสุขมีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็สบายใจไม่มีเงินเรารู้อย่างนี้เราก็สบายใจ มีเงินลอยล้านพันล้านไปซื้อเอาได้ไหมไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเขาจะสร้างโบสถ์สร้างศิล์หรือสร้างอาถารพ์ศิลป์ทำให้เงินหมึกกันจากทําล้ากไปเถอะไม่รู้อาตมาบอกว่าไม่รู้จริงๆถ้าไม่มาดูที่จิตใจดิไม่รู้จริงๆบัดนี้เขาไม่มีเงินมาดูที่ตรงนี้รู้ได้เหมือนกันไม่อัติทานก็ได้เหมือนกันคําว่าทานนี่เราไม่เข้าใจทานเนี่ยเราต้องการทองเงินไปทานให้คน เอาเสื่อเอาผ้าไปทานให้คนเราพอใจความจริงทานคือเราไปพูดความจริงนี่แหละให้คนฟังเรว่าทานให้เขาเขาไม่รู้พูดให้เขาฟังอดเสียสละเวลานี่เรียกว่าความรักก็ได้เรียกว่าเมตตามรุณาอะไรพูดไปแล้วมันเป็นสมมติให้เรารู้จักสมมุติความเมตตาก็าหมายถึงพูดให้เขาฟังรักก็หมายถึงเอาให้เขาเี่น สงสารก็หมายถึงพูดให้เขาฟังหรือเอาให้เขามันเป็นคำเดียวกันทั้งหมดเลยถ้าหากเรามีแล้วเราพูดได้ถ้าเราไม่มีแล้วเราจะไม่มีโอกาสมไม่มีเวลาเลยความจริงอันนั้นเป็นคพูดแต่เมื่อการกระทํามันไม่ได้เหมือนประคำพูดการกระทําหนักตระมาบอกแล้วให้ดูลงไปที่ใจเนี่ยให้ดูลงไิใจมันพิชเกมาพุ่งตัดฟ้ามันพิชเกิดมาพุ่งตัดฟ้า มันเคลื่อนไหวโดยร่กงกายเราเนี่ยก็ให้ดูแต่ไม่ต้องตัดมันอันนี้ตัดไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนี้ความคิดบรรจนขึ้นมาตัดปั๊บเราเห็นเราดูที่ตรงนี้เมื่อเราดูที่ตรงนี้เราก็โอ้สภาวะควมเป็นอยู่ของนิสัยอย่างนี้เมื่อเราปลอกออกไปแล้วปลอกออกไปแล้วเหมือนกับมะพร้าวนะมะพร้าวนี่ยมันเป็นลูกี่ใหญ่แล้วเป็นสับเพื่อมันแค่ออกสับเพื่อมันแค่เอาเราไปสุกกะลามะกะลามันแข็งเราต้องตุบกะลามาันแล้วเรามาพูดว่าตรงเพราะนิสัย มันพูดเอาบันขาวมันมาแล้วก็มาปั้นเอาน้ํามันตั้นเอาน้ำมันแล้วเราเอาไปต้มเอาไปต้มแล้วมันมันเป็นอาหรือเป็นอะไรบ้านหลวงเขาได้ว่าแอ่หรือว่าทอดมันเนี่ยอันนั้นมันกินได้แต่อันนั้นไม่ใช่เป็นน้ามันมันเป็นตาของมันแต่ตัวน้ามันมันจริงๆอะมันไม่ได้เป็นจริงเหล่านั้นแต่ต้องอาศัยการขับจริงเหล่านั้นดังนั้นคนเราต้องอาศัยการเคลื่อนไหวให้รู้แล้วการเคลื่อนไหวของจิตใจก็ให้รู้ เมื่อเรารู้การเคลื่อนไหวของจิตใจนี่เด็กมันจะเป็นถึงที่สุดของพวกอีกิีกและมันกันเล็กที่สุดแต่มัอนไม่จะเล็กอย่างที่พูดนี่ว่าเอาเส้นผมผ่าแตกเพียงแล้วเป็ยัดเข้าประตูนิพนานไม่ไดอย่างนั้นคือมันเล็กที่สุดนั้นไม่สามารถที่จะจับมาแพ้คนสั่งได้ไม่สามารถที่จะจับ ม, ม, ม, มาพูดให้เขาได้แต่ เ, เพียงให้พ่อคิดคนนั้นเองดังนันนน้นคำที่จะมาพูดเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็พันเนี่ย ไม่ว่าหญิงว่าชายคนไทยก็มีอย่างนี้คนจีนก็มีอย่างนี้คนฝรั่งอังกฤษก็มีอย่างนี้มีมทุกคนทีเดียวแทก็มีแต่ตัดนั้นไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เพราะว่ามันจําไม่ได้และมันทําไม่เป็นแต่คนเนี้ยมันสามารถที่จะจําได้จะไปใช้ได้จะทําเป็นได้ด้วยอันนี้ดังนั้นที่อาตมามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็มีจุดสําคัญอย่างเดียว คือให้ดูควมคิดจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่เข้าไปถึงความที่ทุกใด้จริงๆงับรองว่าทุกคนต้องประสบพบเห็นในชีวิตนี้เมื่อเรายังไม่พบในขณะนี้จวนเราจะหมดลมหายใจแแน่นอนที่สุดอาตมาพิสูจตัวเองแล้วในขณะเมื่อเดินไปเดินมาทุกคนต้องแน่นอนที่สุดพบกับจุดนี้จริงๆเม <ๆ S 2> พบจุดนี้แล้วเราตายแล้วแบบนี้เราไม่ได้พบแล้วกับบทสุดทีนั้น จะยับมาพูดให้เพื่อนฟังไม่ได้แล้วตายแล้วเดี๋ยวนี้เรามีแล้วเราเห็นแล้วรีบพูดเดี๋ยวนี้อันนี้เนาะพูดเพื่อควมจริงใจพูดเพ<ๆ>ื่อควมสมัครสมาพูดเพ<ๆ>ื่อควมรักเรื่องความรู้เบื้องเรื่องควา ม, มพูดอะไรก็ได้ เ, เดี่ยที่มาพูดเนี่จะพูดยังไงก็ได้รับรองได้ร้อยเปอร์เซีนต์จรถ้ามีสองร้อยจะรับรองได้สองซ็จริงๆอันนี้เอาทุกคนต้องประสบไม่ต้องกลัวคนตายแต่เราต้องศึกษาให้รู้เดี๋ยวนี้เราจะไม่มีทุกทีจริง เอาแหละที่จะมาได้เราให้ฟังวันนี้ก็เห็นว่ามีเนื้อหาสาระได้น้อยมีเนื้อหาสาระในยารับพูดั้นยาวมายาวมามากแต่ว่าที่จริงใจนั่นคือให้จับผมคิดนอนเมื่อคือนมันฝันไปแล้วแล้วไปอยู่กลางวันมันคิดแล้วแล้วไปอย่าไปสนใจมันจะเตี่ยตัดออกได้ไวก็ด้ยิ่งดีเท่านั้น ปัดออกได้ไวยิ่เดีนะเหมือนกับปุตบอลน้ําเราตักออกไวเท่าแต่ขยิ่งดีเท่านั้นกับเหมือนกับนักมวยเราตกยิ่งไวเท่าแต่กับคนอื่จะไม่ตุกับเราได้ความคิดมันพุบขึ้นมาตัวสติมันจะพุ๊บทันทีเหมือนแมวกับหนูนี่แหละที่จะมาเปรียบเทียบคือมันขับมัที่อจะมาได้สัมผัสมานี่ลึกว่ามันถูกต้องกับคํานักปราศหรือแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้หรือแต่ว่าคนโบราณก็ได้ สอนไว้ว่ามันไม่มีทุกเลยจังว่าต่เ น, นี้อจะมาไปอ่านหนังสือเป็นหลักฐุนนักธรรมท่านตีว่าทำเป็นโลกตะบานทุมกองโลกสองอย่างโลกคือตัวเรานี่เอนี่คืออีริภลมละอายแก่ใจโอดตะบาบโขมเกงโอต่อบาปบาปไม่มีเลยอาจจะมาเข้าใจอย่างนี้รับรองได้จริงๆทำไมไม่มีบาปไปสุดทุก ค, คิดนี่เอง ตัวกคิดมันมากบขึ้นมานี่แหละเราระวังตัวนี้คือให้กลัวตัวนี้จริงๆอันนี้แหละตัวบาปจริงๆเราไปรู้บาปคือตัวไม่รู้บุญมากที่สุสดคือความรู้แย้งอย่างว่าเทะมาเคยพูดบ่อยๆว่าเรามารู้ตัวนี้แล้วคือเราบมดบาปเรามารู้ตัวนี้แล้คือเรามีบุญดังนั้นพระพเจ้าจึงสอนว่าบาปมากที่สุสดนั้นคือความไม่รู้บุญมากที่สุดคือความดูแจ้งว่าอย่างนั้นที่ได้พูดให้หมาเนี่ยก็ สมควรแค่เวลาแ ล, แล้ว้ท่านที่สุดนี้อาตามาพร้อมด้วยท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมะอาตามาได้บรรยายเป็นหัวขอ้อให้ฟังเรื่องวิธีการปฏิบัตินั้นเพียงสั้นสนจับประเด็นสั้นั้คือให้ดูกมคิดนี่แหละขอให้พวกเราได้พบได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจในระยะเวลาอันใกล้นี้คือชีวิตของเราอย่างเป็นเป็นนี่แหละจมทุกๆุกคนเออ